Mm hmm. ตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าเสียงฝนกระทบสังกะสีว่าดังพอสมควรอาจจะรบกวนการฟังของเราที่เราก็ได้สาธยายนะเรื่องผูชีขุมทรัพย์เวลามีคนชี้โทษหรือกล่าวความขนาบเรา ถ้าเรามองว่าผู้นั้นกำลังชี้คุ่มทรัพย์ให้กับเราอันนั้นก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะปฏิบัติธรรมในหลายแง่เช่นได้เปิดใจรับฟังคำตำหนิเป็นการลดตัวตนของเรา เพราะว่าปกตินะตัวตนมันหรือมานะเนี่ยมันไม่ยอมที่จะรับฟังคำตำหนิคำชี้โทษมานะนี่มันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะคือความถือตัวหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าอัตตาหรืออีโก้แต่เกิดว่าเราเปิดใจฟัง มองว่านี่เป็นการชี้ภ่มทรับนะมันก็ช่วยลดมานะรวมทั้งทิฏฐิลงได้ด้วยทำให้เราเป็นผู้ว่างง่ายนะว่างง่ายนี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งกันนะสุวโจพร้อมน้อมรับเอาคำชี้แนะมาปฏิบัติ จะเป็นการเจริญสติด้วยก็ได้นะเวลาเราได้ยินคนชี้โทษหรือกล่าวคำาันาบพราอมมือใดก็ตามที่ใจกระเพื่อมใจเกิดความรู้สึกไม่ชอบและเราเห็นอาการกระเพื่อมของใจอันนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกสติได้เจริญสติ เวลามีอะไรมากระทบทําให้ใจเราก็เพิ่มถ้าเราฉลาดนะเราก็จะมองว่าอันนั้นนะมันเป็นการฝึกสติของเราเพื่อทําให้เราได้รู้ทันอาการของใจเมื่อไม่ปกติมีฝนตกลงมากระทบหลังคา เรารู้สึกว่ามันรบกวนการฟังใจมันมีอาการเป็นลบรู้สึกเป็นลบต่อต่อเสียงฝนตกถ้าเราเห็นมันนะเห็นอาการที่เป็นลบอันนั้นก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกสติแล้วไม่ว่ามีอะไรจะมาป่วนไม่ว่ามีอะไรมารบกวน จิตใจของเราทำให้ใจกระเพื่อมและเรารู้ทันอาการนั้นนะแล้วก็วางมันลงไม่ปล่อยให้มันคร่องงานจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วให้ข้อจำกัการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ดูที่อิริยาบทนะไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ ยกมือสร้างจังหวะหรือว่าการเดินจงกรมนั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแต่ก็อย่าไปเข้าใจว่าทำแค่นั้นถึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่าไปเข้าใจว่าทาแค่นั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียรความเพียร น, นี่มันเป็นเรื่องของใจนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอิเลียบทหรือรูปแบบพบระพุทธจ้าตัดว่าแม้ ยืนเดินนั่งหรือนอนเมื่อมีการมาวิตกเกิดขึ้นมีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นมีวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็ไม่รับไว้ยามไถ่ถอนใจออกจากวิตกเหล่านั้น พยายามลดทอนบรรเทาความวิตกเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความเพียรเผากิเลสการมวิตกก็คือโลภะนั่นเองอเฮียพยาบาทวิตกก็คือโทสะวิหิงสาวิตกก็เป็นมากกว่าโทสะนะเพราะว่าไม่ใช่แค่มุ่งร้ายอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะทำร้ายด้วย ผู้งาคือว่าถ้ามีโลภโทสะโมหะกเกิดขึ้นในใจอนเนื่องมาจากสิ่งเราจากภายนอกหรือการปรุงแต่งภายในแล้วเราไม่คล้อยตามความนึกคิดเหล่านั้นไม่คล้อยตามอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่ารู้ทันและถ่ายถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทาความเพียรแล้วแม้ว่ากําลังนั่งอยู่หรือว่านอนอยู่ก็ตามอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอิเียบทนะแต่มันอยู่ที่ใจอย่างที่บอกไปสักครู่ว่าความเพียรหรือว่าความพยายามหรือว่าวิริยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจ มันไม่ได้อยู่ที่อริยบทด้วยเหตุนี้เนี่ยสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเนี่ยจึงจัดอยู่ในฝ่ายสัมมาส ม, มาธิรีบังมีองค์แปเนี่ยนะข้อท่านก็จะจัดออกมาเป็น3ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็เช่นแก่สัมมาอาชีวะสัมมากรมมตตาสัมมาวาจานะอันนี้เป็น เป็นธรรมะฝ่ายศีลหรือฝ่ายพฤติกรรมฝ่ายกายส่วนสัมมาวยายมะสัมมาสติสัมมาสติสมาสมาธิท่านจัดอยู่ในฝ่ายสมาธินะก็คือเป็นเรื่องของจิตจิตที่สงบจิตที่มีคุณภาพก็เรียกว่าเป็นฝ่ายสมาธิส่วนปัญญา ที่เลื่อนมาจากศีลสมาธินะก็คือสัมมาสังกัปปะสามาธิติเป็นต้นนีสามมาวยมานี่มันเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิคือเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้อยูที่รูปแบบไม่ได้ที่เรียบทบางคนไปเข้าใจว่าทําความเพียรนี่ก็ต้องหมายถึงแค่การยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินตรงกลมหรือว่าการตามลมหายใจเท่านั้น คือต้องเข้าใจว่าการทําความเพียรหรือการปฏิบัติหมายถึงการทําในรูปแบบแต่ว่าสัมมาวายามะมันไม่ได้เพ่งเล็งไปที่ตรงนั้นสัมมาวายามะนี่ก็จะบอกว่าหมายถึงเมื่อทําให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดมีขึ้นทําให้อกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วหายไป ทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้นทำให้กุศลธรรมที่มีแล้วเพิ่มพูนอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะสร้างจังหวะเดินจังกรมถ้าหากว่าในระหว่างที่ทํานั้นเนี่ยทาให้รอบกอดหลงมัน ผู้เราเบาบางหรือหายไปหรือว่าทําให้กุศลธรรมเช่นสติสมาธิรวมทั้งคันติปัญญาเจริญงอกงามก็ถือว่าทําความเพียรได้ประกอบสัมมาวายามะคือทําความเพียรชอบนั้นให้เราเข้าใจนะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการทําความเพียรเนี่ยมันไม่มีรูปแบบ มันอยู่ที่ใจว่าใจตอนนั้นเนี่ยรู้ทันอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นและถ่ถอนจึงออกจากอารมณ์นั้นได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ทำให้มันมีมากขึ้นเมื่อทำเช่นนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ได้ทาความเพียนเผากิเลสต้องจับตรงนี้ให้ได้เพราะว่า บางคนก็เข้าใจว่าจะปฏิบัติทาได้ก็ต้องมาวัดจะภาวนาได้ก็ต้องมาเข้าคอร์สหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอย่างพวกเรากว่าจะมาได้แบบนี้ก็คงต้องสับหล์กันมากบางคนก็อาจจะมาได้แค่ปีละครั้งแต่ว่าตราบใดที่เราจับหลักการ ภาวนาหรือการปฏิบัติได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่บนรถอยู่บนท้องถนนอยู่ในที่ทำงานเราก็สามารถจะปฏิบัติทำไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาได้เรื่องนี้ก็มีอุทาหรณ์ น, นะสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโท ท่านยังเป็นพระหนุ่มนะตอนนั้นท่านก็พรรษาเก้าท่านก็มีแรงมีไฟในการปฏิบัติในการภาวนามากท้างก็ไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปหาและนศรัทธามากคือหลวงปู่กินนรีซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกเลยหลวงปู่กินนรีตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะ อยู่ที่นครพนมหลวงพ่อชาก็ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินนรีอยู่ที่นั่นท่านก็ทำความเพียรมากนะเดินจงกรมทำสมาธินะภาวนาทั้งวันแล้วก็บางทีก็ทั้งคืนเลยท่านก็เดินจงกรมนี่นะอย่างมุ่งมั่นมาก แต่ท่านก็สังเกตว่าหลวงปู่กิ น, นรนลีวันๆก็เดินจงกรมนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็ทำงานจิตปาฐะมีเย็บผ้าบ้างมีปะชุนผ้าบ้างหลวงพระชาตอนนั้นยังเป็นพานหนุ่มนะท่านก็นึกในใจไว้ขนาดเราภาวนามากทั้งวันทนะั้งคืนแบบ น, นี้ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วหลวงปู่เนี่ย วันวันไม่ค่อยเดินจงกรมเลยนี่จะเรียนจะได้รู้อะไรแต่ปรากฏว่าพอได้ฟังคาบรรยายได้ฟังธรรมะจากหลวงปู่กินนรีก็รู้สึกว่าศรัท ธ, ธาทราบซึ้งมากขึ้นเพราะว่าธรรมะของท่านลุ่มลึกแล้วก็ได้เห็นว่าที่จริงหลวงปู่กินนรท่านก็ภาวนานะเห็นท่านไม่ได้เดินจงกร ม, มอย่านี้นะแล้วก็มีช่วงหนึ่ง จีวอของหลวงพ่อชาเกิดขาดลุยขึ้นมาท่านต้องหยุดการเดินจงกรมเพื่อที่จะมาปะชุนจีวอใจท่านก็นึกถึงการภาวนานะท่านก็เลยรีบๆทำรีบๆปะรีบๆเย็บจีวอหลวงปู่กินเีนท่านเดินผ่านมาเห็นอาการ ร, รีบเร่งๆร่งของหลงพ่อชาก็เลยถามพักขึ้นมาว่าท่านชาท่านจะรีบไปทำไมท่านจะรีบไปทำไมหลวงพ่อชาก็ตอบว่าผมอยากทำให้เสร็จครับเสร็จแล้วจะไปทำอะไรจะไปภาวนาครับปู่กินเรีก็เลยพูดขึ้นว่าท่านชาท่านรู้ไหม เย็บผ้าผืนนี้มันก็ภาวานาได้ก็ดูใจของท่านสิว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันนี่ความอยากท่วมหัวตัวท่านท่านยังไม่รู้อีกเลยนะคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะก็สะดุดใจหลวงพ่อชามากเพราะท่านไม่เคยนึกเลยว่าไอการเย็บผ้าเนี่ยระหว่างที่เย็บผ้านี่ก็ภาวานาได้ ภาวนางไงก็มีสติแล้วก็ดูใจของตัวไปตอนนั้นท่านไม่เห็นใจของตัวเลยเพราะว่าใจเนี่ยนึกแต่ว่าจะรีบทำให้เสร็จนึกแต่เรื่องการจะไปเดินจงกรมอย่างเดียวใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความอยากภาวนาอยากจะบรรลุธทรเร็วๆเนี่ยนะมันคร่อบ ง, งมจิตท่านแต่ว่าท่านไม่เห็น หลวงปู่กินรลก็มาเชี่ยเห็นเลนว่าเนียความอยากมันท่วมหัวท่านท่านยังไม่รู้เรื่องของตัวอีกหรือคือภาวนามันสามารถจะทำได้ตลอดเวลาอันนี้คือบทเรียนที่ท่านได้นะจากหลวงปู่กินนลีทำได้ตลอดเวลาทำยังไงก็มาดูใจของตัวเนี่งในใจของตัวมันก็เพื่อมั้ยมันมีความอยาก คองใจหรือเปล่านะมันมีความหงุดหนิดหรือว่าคิดแต่จะทำงานข้างหน้าคิดถึงแต่งานข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้สนใจงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันจิตมันหลไปข้างนอกแล้วนะจิตมันลอยไปข้างนอกแล้วนะก็ยังไม่เห็นอันนี้เรียกว่าสอบตก แล้วคนที่เดินจงกรมอยู่สร้างจังหวะอยู่แต่ถ้าหากว่าใจลอยใจไหลไปแล้วไม่เห็นหรือว่าความอยากมันท่วมใจนะอยากจะได้โนอนอยากจะได้นี่อยากจะได้คุณลิเศษนะถ้าไม่เห็นความอยากนั้นก็ถือว่าฟาวนะถ้าเรียกบาบบร์หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าทําฟรีฟรฟรีฟรคือศูนย์เปล่าหรือว่า อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำความเพลยนเผากิเลสนะเพราะว่าใจมันถูกข้อบ ง, งาด้วยกิีเลสไปซะละอันนี้เราให้เราจับหลักการภาวนาให้ได้ก็จะรู้ว่าได้แต่การกินข้าวก็ภาวนาได้เวลาอาบน้ำล้างจานทำครัวก็ภาวนาได้ขอเพียงแต่ให้เรากลับมาตามดูลู่ใจของตัว ตามดูนี่ไม่ได้ตามแบบถูกมันลากลูกถูกกลางนะแต่ว่าหมายถึงตามทันตามทันมันเถิคิดไปก็รู้ทันแล้วก็เห็นมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจไม่ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ล้วนแต่เป็นของดีทั้งนั้นนะถ้าหากว่าเราเห็นมันมีความสงบเกิดขึ้น ก็ดีถ้าเราเห็นมันมีความหุ ด, ดีเกิดขึ้นก็ดีถ้าเราเห็นมันแต่ถ้ามีความสงบมีความปิติแล้วไม่เห็นอันนี้ถือว่าไม่ดีนะไม่ดีในแง่ของการเจริญสติไม่ดีในแง่ของการทำวิปัสสนาอาจจะดีในแง่ของการทำสมถะนะเพราะว่าสมถะคือมุ่งทาให้ใจสงบผ่อนคลาย แต่สารการเจริญสติแล้วถ้าสงบแล้วไม่เห็นไม่รู้เพลิดในความสงบนั้นถือว่าไม่ดีถ้าเป็นการเจริญปัศนามีความสงบเกิดขึ้นแล้วไม่เห็นไม่รู้นะก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปัศนาแปลว่าทําให้สว่างทําให้แจ้งก็ต้องเกิดจากการเห็นก่อนอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วมองไม่เห็นใจไม่รับรู้นะ ไม่มีสติรู้นี่ก็ถือว่าหลงไปแล้วไม่รู้ตัวแล้วพวกเราวันพรุ่งนี้ก็ต้องหลายท่นก็ต้องกลับไปที่บ้านกลับไปภูมิลำเนาก็ให้รู้ว่าเราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้เสมอเราสามารถจะภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจดีหรือร้ายบวกหรือลบ ล้วนแต่ดีทั้งนั้นนะาหากว่าเราเห็นมันนะคือเห็นด้วยสตินะและในการภาวานาก็ต้องวางใจให้ถูกด้วยนะในเรื่องของความคาดหวังคราวนึงก็มีคนมีโยมคนหนึ่งแกภาวานา ม, มาหลายปีก็มามาบนกับหลวงพ่อเฟื่องหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนี่ท่าน ก็เป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลีวัตโสกาลามพ้ามาบนกบหลวงพ่อเพื่องว่าภาวนามาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยภาวนานะไม่ได้เพื่อเอาแต่ภาวนาเพื่อละนั้นถ้าภาวนาเพื่อเอานี่มันมันไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าทำด้วยความอยาก ความอยากได้อยากเอามันคลองใจแล้วไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ถูกละภาวนาเนี่ยเพื่อละหลายคนเดี๋ยวว่าแต่ภาวนานหลายปีแล้วนะแค่ภาวนานมาแค่หกเจ็ดวันอาจจะนึกขึ้นมาว่าทำแล้วยังไม่ได้อะไรเลยห้าหกวันแล้วคิดแบบนี้ก็วางใจผิดแล้วล่ะพอาประการแรกหกวันแค่นั้นเองนะ มันจะได้อะไรประการที่สองคือว่าเนี่แสดงว่าเราตั้งท่าที่จะเอาการปฏิบัติทานในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เพื่อเอานะแต่เพื่อละตั้งแต่การให้ทานเนี่ยให้ทานไม่ใช่เพื่อเอาบุญไม่ใช่เพื่อหวังมีโชคมีลาภนะแต่ว่าเพื่อละความยึดติดในทรัพย์สมบัตินะเพื่อละความเห็นแต่ตัว ศีลก็เหมือนกันนะศีลเนี่ยรับษาไว้เพื่อลดละโลภโกรธหลงพอถ้าปล่อยให้โลภโกรธหลงมันคลองใจแล้วมันก็ผิดศีลตั้งแต่ข้อหนึ่งไปถึงข้อ5้าเลยศีลศีลทั้งห้าข้อนี่มุ่งเพื่อลดละบรรเทาความโลภโกรธหลงข้อหนึ่งนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะข้อ2ก็เหมือนกันข้อสองข้อสมีลดละ ความโลภนะข้อสีอาจจะลดละโทษะก็หังก็ลดละความหลงพอกินเหล้าเมาสุราแล้วมันก็หลงมันไม่ใช่เพื่อเอานะรับษาศีลไม่ใช่เพื่อความยกย่องสรรเสริญหรือเพื่อหลงตัวลืมตน ว, ว่าฉันวิเศษคนอื่นทานศีลภาวนาก็เช่นเดียวกัน ก็เพื่อการลดการละถ้าภาวนาที่จะเอานะมันก็แสดงว่าวางใจผิดนะตั้งแต่แรกลแล้วอแล้วน้อยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลดละ อ, อารมณ์ที่มันครอบงําใจสามารถที่จะปล่อยวางความสุดนึกคิดซึ่งรัวล้ะแต่เป็นเรื่องของอดีตบ้างอนาคตบ้าง รวมทั้งความคิดมันถือมันในตัวกูของกูนั่นะภ า, าวนาแล้วความลดความละไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะมีแต่อยากได้มากขึ้นก็แสดงว่าทำผิดแล้วนันกูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอันนี้ก็เป็นความเห็นของพระธักกาจานะท่านสอนไว้ว่า ถ้าหากว่ามุ่งเอามุ่งมีมุ่งเป็นไม่ว่าทําอะไรแม้จ ะ, จะเจริอญอภินญาหสมาบัติ8แนละ้วก็ถือว่าเป็นวิชาปฏิปทาแต่ถ้าไม่มุ่งเอาไม่มุ่งเป็นแม้การให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทานะ มิชาปฏิปทากับสมาปฏิปทามันต่างกันตรงไหนไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่ที่การกระทาภายนอกแต่ที่ใจว่าทำเพื่อเอาหรือทำเพื่อละอันนี้ก็วางใจให้ถูกนะและอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยนะมันแม้เราจะไม่ได้หวังได้อะไรเลยนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ที่เป็นกุศลธรรมมก็ต้องย่อมเกิดที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอยากจะเปรียบเลียว่าการเจริญสติหรือการภาวนานเนี่ยนะ mm hmm. ก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วคน mm hmm. เราคงรู้จักกระชอนแล้วกระชอนตักรูปน้ำมนะ การจะทำให้น้ำเต็มแก้วด้วยการตักด้วยการใช้กระชอนนี่มันต้องใช้เวลานะอันเนี้ยต่อมาก็มันไม่ใช่สำนวนขอตมมาหรอกนะเป็นสำนวนของอาจารย์ญี่ปุ่นท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่จุฬาตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปละเป็นอาจารย์ที่รู้ภาษาต่างประเทศเยอะมาก ฉันนังเรียนไม่จบมาวิไลนะภาษาไทยก็เก่งภาษาบาลีก็ได้ภาษาสันสกฤตภาษาโบราณเช่นเทวนาครีก็ก็ได้ไม่ต้องพูดถึงภาษาสมัยใหม่เช่นอังกฤษฝรั่งเศสภาษาอติตาลีแล้วก็ลาตินด้วยรู้ภาษาเยอะมากตอนนั้งที่ไม่ได้เรียนจบมาวิเทไลแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรเป็นรูปแบบเป็นระบบเลยคนก็ ชมว่าท่านเป็นอัจฉริยะนะมีพรสวรรค์ด้านภาษาท่านบอกว่าเปล่าเลยนะเป็นเรื่องความเพียร้นล้วนและท่านก็บอกว่าการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับการตักน้ำโดยก็ชอนกว่าจะเพียงแค่จะจำคำหนึ่งได้เนี่ย คำศัพท์คำนึงได้ต้องเปิดดิกแล้วเปิดดิกอีกเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอิกเป็น10เป็นร0อยครั้งนีกว่าจะจําได้นะมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลามากอ่าตมามานึกดูที่ท่านพูดเช่นนี้ก็คลา้ายๆลาดการเจริญสติเหมือนกันที่ถิงความระลึกได้ในเรื่องของภาษาในเรื่องของศัพท์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันการจะจําศัพท์ได้เนี่อาศัยสติ ในการเจริญสติที่เราเพียรทาอยู่เนี่ยแม้ว่าสติที่เรามุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สติแบบเดียวกับการจำได้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาต่างประเทศนะแต่ว่ามันก็ใช้หลักการเดียวกันคือว่ามันต้องทำความเพียรบ่อยๆนะทาความเพียรบ่อยๆกว่าจะมีสติระลึกได้ รู้ทันความคิดนึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็สามารถจะเปรียบได้เอาอุปมาอุปไมยของอาจารย์อิชิอิท่านนี้เนี่ยเอามาใช้กับอธิบายการเจริญสติได้คือว่ามันไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชรให้เต็มแก้วคือมันต้องใช้เวลาสติมันเกิดขึ้นเทเลนิดเทเลนิดเทเลนิ มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันก็เลือนหายไปเหมือนกับเวลาเราจำศัพท์ได้ที่ได้เราก็จำศัพท์ได้แต่ผ่านไป5้านาทีสิบนทีก็มันก็เลือนหายไปแล้วเราก็ต้องเปิดดิกใหม่หรือว่านึกในใจใหม่ฉันย่างนี้หลายครั้ง10ครั้ง2ี่ครั้งหรือเป็นร้อยครั้งถึงจะจำได้แม่นจำข้ามวันหรือข้ามเดือนก็ได้ พอเห็นศัพท์ปุ๊บก็นึกได้ท้นทันทีในตอนเรีในการเวลาเราใจลอยใจฟุ้งสัน้นเพลอะเราก็ระลึกขึ้นมาได้รู้ทันมันระลึกขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนึกเพราะว่าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นนิสัยการจําด้มี2แบบนะจำได้แบบตั้งใจนึกเช่นเราตั้งใจนึก เบอร์โทรศัพท์เพื่อนตั้งใจนึกวันเกิดเพื่อนหรือตั้งใจนึกสัตว์ต่างประเทศเนี่ยตั้งใจหรือมีเจตนาถึงจะนึกได้นึกออกแต่ความระลึกได้อีกแบบหนึ่งมันมาเองซึ่งเราก็คงประสบในชีวิตประจําวันเช่นเราดูโทรทัศน์เพลินดูละครเพลินเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้นี่มันเลยเวลาไปแล้ว10นาที หรือว่าเรากําลังดูโทรทัศน์เพลินแล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้ําตั้งน้ําร้อนเอาไว้ตั้งเอาไว้นี่ต้องเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยพึ่งมานึกได้ไอพึ่งมานึกได้เนี่ยคือสตนินะลึกได้ถามว่ามันมันมาอย่างไงต่อเดอมันมาเองเราไม่ได้ตั้งใจนึกมันมาเอง ศาสต์ทางพุทธศาสนาก็มีนะอธิบายเขาใช้คําว่าอสังค a r ิ ṅ ก, กังอสังคา r ิ ก, กังคือว่าไม่ได้เจตนามันมาเองมันระลึกได้เองให้การเจริญสติที่เราเพียนเพียนทำเนี่ยคือการพยายามที่จะให้เรามีสติระ ล, ลึกขึ้นมาได้เองถ้าจะไปพยายามเฝ้าดูความคิดเพื่อที่จะรู้ทันความคิดนี้อันนี้ไม่สําเร็จนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเผลอคิดไปแล้วก็มีสติรู้ทันอันนี้แหละนะมันมาเองใหม่ๆนี่กว่ามันจะมานีช้าคิดไปเจ็ดแต่เรื่องแล้วถึงค่อยนึกได้แต่ตอนหลังนี่คิดไปแค่เรื่องเดียวมันก็นึกได้ละเราลึกได้ว่าเรากำลังเผลอไปตอนหลังนี่นึกฟุ้งได้ไม่ทันจบเรื่องเลยสติก็มาและเราลึกขึ้นมาได้ ว่าเราเผลอไปเราฟุ้งไปให้การที่สติมันมาเนี่ยมันมาเองนะมันมาเองแบบโดยที่เราไม่ได้สั่งมันไม่ได้ตั้งใจนิสแต่มันก็ระลึกได้ขึ้นมาเองตรงนี้แหละมันเกิดจากการที่เราทำความเพียรบ่อยๆนะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแลวเราในสุดก็จะแปลกใจว่าอู้มันมาเองเลยนะไม่ได้สั่งเลย มันเหมือนว่าเป็นธรรมชาติของมันเผอปุ๊บ ก, ก็รู้ทันปั๊บเผอปุ๊บ ก, ก็รู้ปั๊บไม่ได้สั่งมาเองเหมือนก็มันเป็นธรรมชาติที่สองของใจนะอันนี้เกิดจะกการทำความเพียรบ่อยๆทำทาไปเรื่อยๆทั้งในรูปแบบแล้วก็ในวิถีชีวิตประจำวัน แล้วเราก็จะแปลกใจว่ามันมาได้ยังไงนะเราไม่ได้สั่งนะใจนี้เป็นเพราะว่าใจถูกฝึกเอาไว้ดีแล้วซึ่งเกิดจากการทําความเพียรอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องอ่าเราก็อย่าท้ออย่าถอยนะก็ถ้าว่าเราทําความเพียรอย่างถูกต้องวางใจได้ถูกสติก็จะมา ก็จะมาทำงานได้ทันท่วงทีและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือใจก็จะสงบเป็นความสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้นะสงบเพราะรู้ส่วนใหญ่เนี่ยเราแสวงหาความสงบที่เกิดจากการไม่รู้เช่นไม่รับรู้ข่าวสารปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดประตูหน้าต่าง เพื่อไม่ให้มีเสียงรอดเข้ามาบางทีก็ปิดตาเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีภาษามากระทบอันนี้เราว่าการปิดการรับรู้ซึ่งก็ทําให้สงบได้แต่มันก็สงบชั่วคราวพรพอเรากลับไปกรุงเทพพอเราเปิดโทรศัพท์พอเรา เ, อาเปิดประตูพอเราเปิดเปลือกตาเจอเสียงเจอรูป มากระทบนี่ใจกับเพื่อนนี่วาวุ่นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสติเนี่ยแม้มันมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกริกายใจกับเพื่อนก็มีสติรู้ทนันรู้แล้วก็วางใจกลับมาเป็นปกติความสงบเกิดขึ้นได้อย่างนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้ไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้นะสงบเพราะรู้คือรู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ ทำให้ใจไม่กระเพื่อมกลับมาเป็นปกติได้เมื่อเป็นปกติความสงบก็ปรากฏแก่ใจอยากจะให้ได้นะั่รแหลงสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะปิดการรับรู้กับสงบเพราะรู้นะคือรู้ทันอารมณ์การเจอสติทำให้เราได้พวกความสงบอย่างหลังซึ่งทำให้เราทำงานก็ทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบเราอยู่ในกรุงเทพ เสียงมันจะกระทบยังไงใจก็ไม่วาวุ่นเพราะเรามีสติรู้ทันใจอารมณ์ที่กระเพื่อม